เวลาพูดคุยกันเนี่ยพูดคุยเบาๆนะเสียงมันดังการพูดคุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียงมันดังลบกวนคนอื่นเดเฉยนะแต่ปัญหามันคือสติมันไม่มีเลยสติมันไม่มีมันเหมือนผู้กําลังเดินทางเนี่ยแทนที่เราจะใส่ใจในเส้นทางของการเดิน ตั้งใจในการขับรถมองไม่ละสายตาจากทางที่เดินเนี่ยเป็นคนที่กำลังหัดขับเป็นผู้อยู่ในโคจรวิถีต้องใส่ใจนะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมมีจุดมุ่งหมายคือจะเดินไปใหถึงเป้าหมายก า, การทำงานก็ดีอะไรก็ดีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะ ไม่ได้เอาทิ้งเอาจังมากมายแต่เราเอามีความจริงชังกับจิตของเราเองเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะได้แก้ปัญหาชีวิตได้แต่เรื่องห ย, ยาบหยาบพอได้แต่เรื่องที่ละเอียดลงไปไม่อาจจะเห็นได้ตอนเราเดินจงกมรมลราตั้งใจปฏิบัติธรรมกิดเลดสมันก็ไม่เกิดอันนี้แหละคือกิดเลมันเกิดนะวัดวิสติเรามันสามารถมาเห็นในอิริยบทย่อยพวกนี้ได้ไหม การไปการมากันดื่มกันกินกันพูดกันไรบนกันนั่งเนะี่ยนี่เขาเรียกว่าอีดีบทย่อยมีสติทันไหมหรือทันแต่ตอนเดินโยงกลมถ้ามึงจะเป็นแร้วๆเร่า ๆ, ๆนะเราทางานไม่ได้เลยทำไงไรฟุ้งซ่านดูดีทำไ ง, ง, ำงคิดมากพูดมากทุกทีเขาเรียกว่าสติหรือยินสีมันไม่แก่กล้าในหลักปฏิบัติธรรมเนี่ย มีกล่าวอ้อยว่าสติปัฏฐานสี่ทำตามเนี้ยก็ได้หรือในอีกมุมมองหนึ่งก็คือสัมมปทานสี่พูดถึงเรื่องการตั้งใจตั้งจิตมันทีก็พูดถึงเรื่องอธิบาทสี่คนเราจะประสบผลสำเร็จเนี่ยต้องทำจริงจริจังๆอิน 4, 5, สีห้าศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้อีกมุมองหนึ่งแต่จริงก็คือสติมันเดิมนั่นแหละต้องเข้มแข็งไม่ศรัทธา 5, ก็ต้องพัฒนาให้เป็นพระห้าอินทรีห้าพระห้านะอินทรีแปลว่าใหญ่นกอินทรีนกใหญ่เวลาเราปฏิบัติธรรมมาฝึกฝนเนี่ยแต่ก่อนมันเล็ก คุณจะทำห้าตัวเนี่ยหนึ่งศรัทธาก่อเล็กเล็กสองวิทยะก่อเล็เลกเล็กสติก่เล็กเล็กสมาธิก่เล็กเ็กปัญญากันมาพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นมาอันเนี้ยให้มันโตขึ้นโตจนถูกกระทงังมาเป็นสภาวะอินทียห้าเนี่ยกลายเป็นผู้มีกําลังเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยเอามือกดหัวเด็กมันก็อยู่เนี่ยถ้ามีสติระ ล, ลึกรู้ชัดเจนมาก มันก็ปล่อยวางได้ง่ายๆก็มันมีกําลังสติดีไม่ดีโตขึ้นหรือไม่โตเนี่ยเราวัดตรงที่มันกําจัดความฟุ้งซ่านเป็นไหมกําจัดความง่วงได้ไหมถ้าสติทําหน้าที่กําจัดความง่วงไม่ได้ความฟุ้งซ่านความปรุงแก่งไม่ได้เราจะเอาอะไรมาพัฒนาขึ้นอีกมันไม่มีปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อายครูบาอาจารย์ ปฏิบัติอยู่กับเพื่อนก็อายเพื่อนมันไม่มีความกข้าหนา้าเราจะไม่เป็นคนอึ้งองค์อาจพึงผ่เพราะะเพราะว่าเราไม่มีวิริยะไม่มีภาวะของการต่อสู้ไม่มีพยะคฆกันดิ้นรนวิริยะแปลว่าบุกแปลว่าสู้สู้อารมณ์ที่มันย่างๆได้สติคือเลยลึกรู้เลยลึกรู้อยู่ตอนนี้ก็ง่วงร่วงรู้มรไม่รู้แต่สู้ได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่มีวิทยะะ มันจะมีความจําเป็นที่จะต้องทําความรู้ตัวอ น, นี่ยที่มันโตขึ้นเขาต้งเรียกว่าอินรีห้าอินรีห้าต้องทําให้คุณธรรมห้าอย่างนี้มันโตถ้ามันโตขึ้นมันก็เหมือนนกอินรีนั่นแหละปฏิบัติก็ทําให้อินรีย์มันแก่กล้าสติแก่กล้าศรัทธาก็ไม่ให้มันหลุด ควนควายทางใจมีการเลี้ยงถิ่ของตัวเองหรือโยนิสโสมนสิการโยนิสโสมนสิการช่วยในการพินิจวิเคราะห์ในการกระทําของตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอืคุณธรรมเนี่ยมันสามารถไปชำระใจได้สังเกต ด, ดูดีเวลาเราทําได้ยี่อะไรเนี่ยรู้สึกว่าใจมันพองโตขึ้นเนี่ยมีกําลังใจ โยนิสงฆ์นิสการกับการทําบ่อยๆพหูนิกาโรทํำบ่อยๆทํามากๆเหมืนเราเข้าให้ลูกเรากินนี่แหละเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่คือเลี้ยงให้มันโตนั่นเองอันนี้ก็เหมันกันกันหมดรู้นี่ก็มันรู้จนกระทั่งคุณทำให้มันโตขึ้นโตขึ้นสามารถเอาความง่วงออกได้เอาความฟุ้งซ่านก็ออกได้เอาออกเป็นไหมความวง่วง เอาออกได้ไม่ความฟงสารความปรุงแต่งงุนหิดอือดัดเวลามเรียบมาเนี่ยเอาออกได้ทันทีเลยไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณธำลังเราเนี่ยมันโตขึ้นสติมันโตขึ้นมันเริ่มเป็นอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาแล้วศรัทธามากมากวิริยะตามมาสติการกำหนดรู้เนี่ยเริ่มต่อเนื่องขึ้นศรัทธาในไม่หน่อยก็ไม่มีสตินะมันก็มีสติแตศรันะทธาแบบรู้ตัวในี่ยทมากขึ้นแต่พอเราทําได้เนี่ยไม่ได้ขยัน ขยันคือมันศรัทธาอย่างถูกทางน่ะเมื่อก่อนมัศรัทธาไม่ถูกทางพอเริ่มเห็นอารมณ์มเห็นการเกิดการดับไปของกิเลสตัณหาบางตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความพยายามขึ้นมากความขยันก็มาเองศรัทธาก็เต็มที่การกําหนดรู้เอามาเริ่มเป็นไปเองน่ะกําหนดรู้กว่าตาไม่กําหนดรู้กว่าตามมันรู้สึกว่าง่ายๆใจเนี่ย ขอเรว่าสติมันโตความผู้สั้นแว บ, บเข้ามาที่ไหลหลุดไปทุกที่ทุกทีความเพียรความพยายามมันสูงเพียรแค่รู้สึกตัวเฉยๆนี่นะเยืเ่ออนมันหลุดไปเองมันวางได้เองอย่างที่ว่าองค์ประกอบมันก็คือเอาละเอียดหน่อยในการสังเกตเนี่ยสังเกต ด, ดูอารมณ์ตัวเองบ่อย ซ้ำซากบางทีก็ทบทวนอารมณ์กลับไปกลับมาทวนอารมณ์เราปฏิบัติได้อะไรบ้างเข้าใจอะไรบ้างวันที่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเรายังเดีจ้ำตอกเหมือนเดิมนี่เราไม่อยากพัฒนาไปข้างหน้าเหรออเอาพัฒนาไปจะได้อะไรนึงได้ความขยันเนาะสามารถสลายหรือทำลายอารมณ์ที่มัน ย, ยากๆได้มันมีมาตลอดแล้วไม่ได้ไม่มีนะ อารมณ์เนี่ยมันมีมาตลอดมันเกิดตลอดครับเราเห็นมันได้ตลอดไหมเวลามันปรุงแต่งมาเราก็ดูได้ตลอดไหมเอาออกได้เลยไหม ย, ยกกิเลสออกจากจิตเราเคยขุยเคยเล่นเคยพูดยกกิเลสออกไปจากใจถ้าสติไม่มีกําลังสมาธิไม่มีกําลังภาระไม่มีกําลัง สมาธิไม่มีกําลังปัญญาจะออกมาจากไหนมันก็ออกไม่ได้ด็อะไรเกิดขึ้นก็ออกไม่ได้สักอันอะไรเกิดขึ้นก็ออกไม่ได้สักอันน่ะมันติดอยู่ในใจเราเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะมีปัญญาท่งเห็นว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสม อะไรคือเหตุปัจจัยของกิเลสอะไรคือเหตุปัจจัยของปัญญามันดูไม่ออกไงเพราะสติมันน้อยมันไม่มีกาลังมันไม่สามารถที่จะเป็นนกใหญ่ขึ้นมาได้ศรัทธาก็น้อยวิริยะก็น้อยอยู่ทางโลกเนี่ยเขาทำการทำงานเขามีความสนุกสนานนะเพลิดเพลินไปทำเรื่องแต่ทางธรรมเนี่ย ศรัท ธ, ธามากก็คือทําให้มันแหลมคมศรัท ธ, ธามาที่จะรู้สึกตัวศรัท ธ, ธาที่กําหนดรู้เป็นต่อเนื่องศรัท ธ, ธาที่จะกล้าสู้กล้าผ่านอารมณ์ที่มันละเอียดละเอียดที่เข้ามาในใจเราเนี่ยที่เราไม่อยากเลือกอยากลดอยากละเนี่ยมันจะเด็ดขาดกับมันนละยเคยสูงบรญีเคยกินเหล้าเคยอะไมันเด็ดขาดกับมันจริงๆนะเคยคิดเคยปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมาบ่อย ฝื้นกับมันเป็นผู้ดูมันเป็นผู้รู้มันแต่ก่อนถ้ามันมาแล้วเราเป็นทุกเดี๋ยวนี้เราจะเป็นผู้ดูทุกนะถ้าเราไม่ยกระดับจิตแล้วยกการต่อสู้แบบนี้เนี่ยจะยากลาําบากเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเอินียบทแต่ละแห่งแต่ละที่แต่ละอันต่อสู้เรื่องเล็กๆน้อยๆไปไม่ใช่แบบนั้นนะ ยกเรื่องการต่อสู้เป็นเรื่องของร่างกายสังขารทั้งหมดยกเรื่องของการต่อสู้มันเป็นเรื่องประมวลของชีวิตเราถ้าเรารอดเอาชนะได้เราก็รอดเอาชนะไม่ได้เราก็ไม่รอดเหมือนปากใต้นะที่เขาจะยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาเป็นเรื่องของเรื่องราวควาเชื่อชาติเรื่องวางศาสนาระหว่างประเทศองค์กรมุสลิมกับรัฐอะไรปมเนี้ย เราทั้งหลายก็เหมือนกันนะ่ะให้มองการต่อสู้กับกิเลสนี่ยเป็นเรื่องของระหว่างชีวิตเราไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะกิจนะว่าถ้าเอาชนะได้เราก็ส บ, บายถ้าสิ่งนี้ล้มเหลวสิ่งที่ตามมาก็คือชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ดีขึ้นไม่ดีเกินเมื่อ ก, ก่อนว่ามันเป็นยังไงก็เหม่เกินนั้นนะนะ ทั้งที่เรามากินยาเราก็ไม่หายโรคทั้งที่เราเข้ามาโรงเรียนเหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนม้าอัศจรมันจะวิ่งนักแสงนําหน้าม้าทั่วไปได้มา้าตัวไหนมันรวดเร็วมันว่องไวมันก็ไปเองนะแต่ขนาดตัวไหนมันช้ามันก็ช้านะที่มันช้าเป็นอะไรมันก็เป็นอาหารของปลาของเต่านะ อารมณ์แต่ละอันที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยต้องเด็ดขาดกับมันไม่ใช่ปล่อยแบบพิ้วเผินเล็กน้อยแล้วแต่มันจะเกิดจะดับไม่ใช่ต้องพิถีพิถันเหมือนการผลิตอาวุธผลิตอะไรสักอย่างต้องละเอียดทุกขั้นตอนปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะถ้าคนมีความละเอียดทุกขั้นตอนของทุกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยของการดูการเห็นการควบคุมการผลิต อารมณ์แต่ละตัวที่ส่งออกนอกเนี่ยทำให้ปัญญามันจงไม่มาเราสามารถเห็นได้รู้ได้แต่ก่อนเราไม่เคยอดทนเนาะอะไรที่มันหนักหนักเนี่ยอดทนต่อความคิดควา ม, มงงไม่เคยอดทนเพราะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยความอดทนเราจะเริ่มเริ่มระดับขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่อดทนธรรมดาอดกลั้นด้วยทั้งใจตลอดถึงต้องอดทนเป็นแบบ อธิวาสสนคันติคันติขั้นสูงไม่หวั่นไหวต่อเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ก่อนเราต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเราจะทนต่อเวทนาทางกายเวทนาทางกายก็ไม่ค่อยสู้นะเปลี่ยนเรื่อยๆแต่พอปฏิบัติธรรมมาเนี้เราเริ่มต่อสู้กับเวทนาทางกายถึงแม้มันจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยอเราก็อดทนขึ้นมาระดับนึง ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องข้างนอกนะจนกระทั่งว่าเราเริ่มอดทนกับเวทนาท้งจิตจิตหรือความคิดเราเนี่ยถึงแม้มันเป็นยังไงก็ตามเราไม่ยอมให้มันคิดไม่ยอมคิดหาเหตุหาผลมันเป็นเพราะอันนั้นอันนี้ทำไมเราจะเป็นผู้ดูแลแต่ก่อนไม่เหมือนเลยเหมือนมันติดกันนะแต่ตอนนี้เราก็เริ่มแยกรูปแยกนามรูปก็เป็นรูปนามก็เป็นน้ํา เราจะเป็นผู้เห็นเป็นสักแต่ว่ามันเกิดขึ้นเฉยเฉยคือมันเป็นสังขารมันเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละเราจะไปตี อ, อกโจกตัวกับมัน ท, ทําไมอ่ะทํำไงเราจ ะ, จะแยกผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยออกจากกันเป็นผู้เป็นอันนึงผู้รู้ผู้เห็นอันหนึง่งแต่นี่มันแยกไม่ได้มันเป็นอั น, นเดียวกันมันคิดก็คิดฟุ้งซ่านก็ฟุง้ฟงซ่าน พวงแต่งกันไหลไปนั้นบ่งบอกว่าสติเรามันไม่เข้มแข็งพอสมาธิมันไม่พอมันไม่เป็นพละมันไม่มีพละไม่มีกําลังยกออกกิเลสออกจากใจเรายังไม่เป็นเช็คทุกเวลาทุกนาทีตอนนี้ง่วงไหมเบื่อไหมสลึมสลือไหมอยู่กับความคิดไหมันปรุงแต่งไหมรู้ไหมนะ ถ้าเราจะกิเลสออกจากใจเนี่ยต้องละเอียดนะไม่พูดเข่าข้างตัวเองอ่ะอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันเวลาเราสวดมนต์ธรมวันเช้าทุกวันทุกวันเขาก็สอนให้เรานั่นแหละออกจากทุกบอกว่าทุกมีลักษณะยังไงพุทธธรรมะสังฆมีลักษณะยังไงทุกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันทุกในทัศน์ของพุทธเจ้าเป็นอะไรทุก การทำที่สุดอย่งทุกคือยังไงเราจะสวดอันนั้นแล้วเราก็เหมือนเราเข้าใจอ่ะแต่เราก็ทําไม่ทำมึงดีหรือทําแต่มันไม่มีกําลังพอฉั้นต้องต่อสู้จนถ้ามันเกิดกําลังเอาชนะทุกได้ทุกหยาบเอาได้เอาเริ่มเจ็บเริ่มปวดนี่แก้เป็นละไม่ใส่ใจกับมันละเริ่มทําเป็นทีนี้อดกลั้นแต่ต่ออารมณ์เนี่ยอดกลั้นไม่คิดเนี่ยทาเป็นไหม อดกัน้นไม่ให้ง่วงไม่เหงาไม่กิเดชวั น, นี้เข้ามาในใจเนี่ยทาเป็นไหมถ้าทํายังไม่เป็นเกษตรวสติยังไม่โตคนทางโลกโลกเนี่ยอดทนต่อการต่องานอะไรประมาณนั้นหนักเอาเบาสู้เขาสามารถมีทรัพสมบัติทรัพย์สินเงินทองและอยู่ทางโลกแบบคนเป็นกิติสตโทอภุกคโตแต่ทางธรรมนี่เป็นเรื่องของใจแล้วทีเนี้ย อดทนต่อความคิดอดทนต่อความง่วงความงเงาอดทนต่อความเบื่อหน่ายอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายนี่เขาเรียกว่ามันมันพัฒนาขึ้นมาโตขึ้นมั้มันเริ่มเป็นอินทรีย์สัจทินทรีย์วิริยินทรีย์ปัญญินทรีย์สมาทินทรีย์สตินทรีย์ทำศรัทธาให้มีกําลังทําวิริยะให้มีกําลังเพียรบากมันเนี่ย ทำสติให้เป็นกําลังทําสมาธิอันนี้ที่เรารู้สึกตัวเนี่ยให้มันเป็นให้มันมีกําลังให้ได้บางทีมันก็ น, นิ่งสบายแต่มันไม่มีกําลังในการยกกิเลสออกจากใจทําปัญญาปัญญาในการรู้เห็นเอาออกได้แต่ก่อนก็ออกได้ทีลน้อยๆพอเข้าใจเรื่องนั้นนิดนึงเข้าใจเรื่องนี้นิดนึงบ่อยามันไม่ค่อยมีกําลังทําให้มันมีกําลังกระทบปุ๊บแต่ที่วางแต่ีเลย ก็ะทบปุ๊บวาง น, นดีเลยก็ะทบมาหายไปดับไปดับไปให้มันเห็นป่านนั้นเราเรียกว่าปัญญามันไวเจียบแหลมเวลาเราทําไปคือนึกอยากจะให้มันมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็ไม่เป็นนะอารมณ์นั่นมาอารมณ์นี้มาเราแพ้มันตลอดบอกตัวเองว่า น, นี่แหละคือผลกรรมที่เราไม่ได้ทําความรู้ตัวมา ไม่ได้ทําความรู้สึกตัวมาแล้วเก็บมันเข้าไปครอบงําอยู่ในใจมันไม่ยอมออกไปเนี่ยมันมาไม่ยอมบอกมันว่าที่ของมันในบ้านของมันนะเนี่ยมันไม่หนีไปไหนเนี่ยแต่เราก็อย่างไล่มันออกอยากให้มันออกไปจากใจเราทีนี้มันจะออกจากใจเราเนี่ยมันออกไม่ได้ด้วยความอยากเนี่ยมันตามใจเราไม่ได้่ ออแล้วเราอยอกชั่วคู่ชั่วขนันนะเอามันโมหงีดก็หายไปงี่มันก็เป็นอีกเมื่อวานก็หายง่วงวันนี้ก็จะง่วงอีกเนี่ยบางทกลับไปขับมาเนี่ยพยายามทําจนเห็นว่าสุขกับทุกข์นี่มันเป็นอันเดียวกันนะที่แรกก็สุขอีส่วนหน่ก็ทุกข์บางทีก็ทุกข์อีส่วนหน่ก็สุขพัฒนามาอีกหน่อยก็เป็นอุเบกขาวางเฉยตัวอารมณ์เป็นสักพัก นี่ก็เฉยกับุเบขาเป็นนะเนี่ยซึ่งมันยากกว่ากาําำดั่เหมือนกับการสร้างจังวะนี่แหละเหมือนกับกําหนดรู้กรรมฐานที่เป็นรูปประชานอาศัยการเพ่งเนี่ยขออารมณ์ที่เป็นรูปเนี่ยมันจะทําได้สักพักหนึ่งที่พอจะปล่อยรูปก็ทําไม่เป็นและทีเนี้ย้องสร้างจังวะตลอดถ้าไม่สร้างจังหวะก็ยาก นี่ปฏิบัติทำเพื่อสร้างจังหวะนี่จนกระทั่งไปสู่ภาวะที่ไม่ต้องสร้างจังหวะก็ได้ไม่ต้องเดินจยกรมก็ได้มันเข้าไปเป็นของมันแล้วนี่ความรู้ตัวทุกพร้อมมันไม่ไปไหนแล้สมาธิมันมีตลอดเวลานั่นเขาเรียกว่าสมาธิภละมันมีมีกําลังนะสมาธิก็มีกําลังสติก็มีกําลังไม่ใช่กระทบหน่อยหลุดร่วงหลุดท่วงหายหายมันไม่มีกําลัง ท่านบอกวสติประธานสีที่บาทสีสีห้พ า, หาพละห้าพละห้านี่ยพุทธชงก็เหมือนกันนะทําเป็นองค์แห่งการรู้แจ้งเจ็ดอย่างก็เหมือนเหมือนกันนะพุทธชงสติสัมพุทธชงสมาธิเหมือนเหมือนกันเลยเพียงแต่วําไงมันจะมันจะโตขึ้นนะให้มันชานานเหมือนเราไปกรุงเทพเนี่ยเราไ ป, าไป บ, บ, บ, บ, บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยเนี่ยสบายเลยวันที่เราแค่ไม่ดูป้ายก็ได้ เดินทางไปไหนมาวัดสฉมมนัสจากกรุงเทพมาสบายเนี่ยเพราะเรามาจนชำนาญละเส้นทางนี้ก็เหมือนกันเดินอยู่บ่อยๆมันง่วงมาดูง่วงมันเบื่อมาดูเบื่อมันขี้เหียดมันดูขี้เหียดดูตรงๆลงไปที่ความทุกข์พวกนี้ตั้งแต่ตื่นนอนมันแล้วทำให้มันสดใสเลยใจเนี่ยสดใสลงปลงรักษาอาการนี้ให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็ทําอย่างอื่นแล้วพอล้างหน้าล้างหน้าอพอเดินก็เดินพอทำยังไงก็ได้แก้ไขไปแต่อย่าไปนั่งหลับอย่ไปนั่งคุยอั่นวิสัยแบบโลกๆมันง่วงนอนไม่ทําอะไรก็งอนอนถ้าไม่นอนก็คุยแบบจิตจะอยู่แค่นั้นเองนี่ะ นี่าต้องเป็รื่องที่ใส่เดิมๆนะมพัฒนามันโตขึ้น